สมัยรัชกาลที่สามนยะมีฝรั่งคนหนึ่งชาวอเมริกันชื่อว่าหมอบรัตเล่คนที่สาคัญมากเพราะว่าเป็นคนที่ทําหนังสือพิมพ์ฉบับแรกในประเทศไทยเอาเครื่องพิมพ์มาแล้วก็ก็เลยมีการหล่อตัวพิมพ์ภาษาไทยแล้วก็เลยมีการพิมพ์หนังสือเครื่องพิมพ์เครื่องแรกก็มาจากหมอบัตเล่แล้วก็หมอบัเลเนี่ก็ยังเอาวิธีการรักษาสมัยใหม่เช่นการ ปลูกรีนะป้องกันไข้ทรพิษนะคราวนี้หมอเบเลเนี่ยยังมีจะเรียกว่างานอย่างหนึ่งนะแกไม่ได้เป็นหมอธรรมดาเป็นหมอสอนสาศาสนาหมอสอนสาศาสนาคือมนะิชชันานารีเผยแร่ศาสนาแกเป็นคนคริสคริสเนี่ยเป็นคริสตินากยโปรเตสแตนนิกายนี้เนี่ยนะเขาไม่มีนักบวชนะแล้วก็ค่อนข้างเคร่งแล้วก็ ไม่สนับสนุนการกราบไหว้รูปเคารพนะในยุโรปเนี่ยโปรเจสตันตไปถึงไหนนี่ก็จะรื้อทำลายรูปเคารพเช่นรูปพระเยซูรูปพระแม่มารีนะรื้อหมดนะทำลายเลยประถือว่าเป็นการขัดต่อบัญญัติขอ ง, ของพระเจ้าทีนี้เมื่อมอมบลเล่มาเมืองไทยนะก็มาเผยแผ่ศาสนาคริสต์นะก็พยายามที่จะให้คนเนี่ยนะเลิกนับถือพุทธศาสนา วันหนึ่งก็ไปไปเทศนานะตรงแถวเสาชิงชานะประมาณนั้นน่ะ น, นะเสาชิงชาก็มีร้านขายสังภัณฑ์นร้านสังภัณพันก็มีการขายพระพุทธรูปมีการตั้งพระพุทธรูปหมอพัดเล่ก็ไปยืยนอยู่หน้าร้านแล้วก็พูดว่าการกราบไหว้พระพุทธรูปนี่มันไม่ดียังไงบ้างนะก็ว่าค่อนข้างแรงนะ เจ้าของร้านก็นั่งฟังเฉยๆนะคุณลุงคนหนึ่งนะแกก็นั่งฟังก็ไม่ได้โกรธแค้นอะไรนะให้หมอบัรเละว่าไปว่าไปตนกระทั่งหมอบัรเละเนี่ยเหนื่อยนะเพราะว่าแดดร้อนเหนื่อยเนี่ยเจ้าของร้านก็เลยชวนหมอบัรเละเข้ามานั่งพักในบ้านในร้านแล้วก็หาน้ําให้กินด้วยนี่ขนาดคนที่มาต่อว่านะพุทธศาสนานะแล้วก็พูดจาจะเรียกว่าจ้วงจ่าพระพุทธเจ้าก็ได้ แต่ว่าลุงคนนี้แกเฉยมากเลยไม่โกรธเลยนะกลับมีเมตตาชวนมาพักในร้านหาน้ำให้ดื่มแล้วก็ถามว่าทำไมถึงพูดแบบนั้นนะอันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นท่าทีนะที่น่าสนใจมากแสดงถึงความเป็นชาวพุทธนะก็คือว่ามีความอดกลั้นใจกว้างไม่โกรธนะใครมาว่านัใครมาว่ า, าศาสนาเรา ใครมาว่ า, าศาสนาของเราก็ไม่โกรธนะก็ตรงกับที่พระเจ้าสอนเอาไว้นะอันนี้ก็พูดไปแล้วเมื่อวานพนระเจ้าเคยสอนว่าใครมาติชิ้นนินทาเพราะผู้ประสงค์ก็อย่าไปโกรธอาฆาตเพราะการทําเช่นนั้นจะไม่เป็นผลดีต่อต่อคนที่มีความรู้สึกแบบนั้นนะอันเนี้พวกเราเป็นชาวพุทธเนี่ยนะก็ต้องพยายามที่จะทําใจให้เข้มแข็งมั่นคงใจกว้างนะเหมือนอย่างคุณลุงคนนั้นแหละนะ แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอชาวพุทธโนไม่น้อยเนี่ยมีความหวั่นไหวง่ายนะเวลามีคนวิจารณ์พุทธศาสนาและบางทีก็ไม่ได้วิจารณ์พุทธศาสนาเพียงแค่นะพูดถึงพระสงฆ์ในทางไม่ดีก็โกรธแล้วทั้งที่เขาอาจะพูดด้วยความเจตนาดีประสงค์ดีก็ได้นะสมัยก่อนนี่คนไทยเรา น, านับถือพุทธแต่ว่าก็ไม่ได้ลังเกียราศาสนาอื่นแม้รังาศาสนาอื่นเนี่ยเขาจะมาว่ า, าศาสนาพุทธยังไงเนี่ย ก็มีเมตตากรุณาใจกว้างขนาดที่ราชสมัยรัชการที่สามเนี่ยราชการที่สี่ยังเป็นพระอยู่นะชื่อว่าวชรยานพิคุพอื่นเราคงทราบดีวว่าราชการที่สี่เนี่ยเคยเป็นพระมา2 6 0 0รษา2 7 0 0รษาตอนที่เป็นวชรยานพิคุเนี่ก็เป็นเจ้าวาดวัดประวลัลก็ยังเชิญให้สังฆราชปาลเล ก, กัวเนี่ยมาสอนสาศาสนาในวัดประวรเลยนะนเชิญสังฆราชนะปรารี ก, กัวซึ่งเป็นคาทอลิกนะให้มา สอนศาสนาในวัดประวัลเลยหาหาห้องประชุมให้เลยนะคือท่านใจกว้างมาแล้วก็มั่นใจว่าพุทธศาสนาเนี่ยนะคงทนต่อคําวิจารณ์ของดีเนี่ยนะก็ไม่หวั่นไหวต่อเสียงวิจารณนะ์ของดีของแท้นะก็ให้สังฆราชนีมาพูดเลยนะว่าศาสนาคริสต์ยังไงบ้างดีกว่าศาสนาพุทธ ย, ยังไงบ้างสังฆราไปรยกลัวเทสเท่าไหร่เทสเท่าไห ร, ไหร่ก็ไม่ค่อยมีคนเปลี่ยนศาสนาเท่าไหร่ หมอปัทเลก็สังเกตว่าเหมือนกันเลยว่าพยายามแพศาสนาเท่าไหร่เนี่ยคนไทยก็ไม่เปลี่ยนาศาสนานะเพราะว่าเขาเข้าถึงเข้าถึงาศาสนาอยู่แล้วนะก็เห็นว่ า, าศาสนาพุทธดีไงอยู่แล้วมีความสึกษาอยู่แล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนนะก็เพราะว่าเราเชื่อว่ า, าศาสนาของเราดีจริงนะก็เลยใครจะวิจารณ์ยังไงก็เฉยจะมาสอนสาศาสนาอื่นก็ได้นะ อ น, นี้ัชิยามพิคุร์นท่านเป็นเจ้านะแต่ว่าท่านใจกว้างแต่ท่านก็ฉลาดนะบอกว่าสังฆราพไปเลกัวจะมาสอนสาศาสนาคริสต์ในวัปปาวัก็ได้แต่ว่าต้องแลกกันนะก็คือต้องสอนภาษาอังกฤษให้ท่านราชิยามพิคุร์นท่านเป็นพระที่เก่งบาลีแต่ภาษาอังกฤษท่านไม่มีความรู้เลยก็ให้สังฆราพไปเลยกัวเนี่ยสอนภาษาอังกฤษนสอนเพื่ออะไรนะสอนเพื่อให้เข้าใจฝรั่งนะท่านฉลาดนะ แลกเปลี่ยนกันนะให้วัดเป็นสถานที่ที่จะมาเผยแผ่าศาสนาคริสต์แต่ว่าก็เรียนรู้าศาสนาเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะจากสังฆราษรไปด้วยท่านก็เลยมีความรู้นะเป็นกษัตริย์องค์แรกที่มีความรู้ภาษาอังกฤษเขียนโต้อตอบเคยเขียนจดหมายไปถึงประธานาธิบดีลิงคอนด้วยนะรุ่นเดียวกันน ะ, ท, ะกกทั้งรัชกาลที่สี่เนี่ยรุ่นเดียวกับลิงคอนเคยเขียนจดหมายนะไปมอบช้างเผือกให้ กับอเมริกาแล้วก็เขียนจดหมายเป็นภาษาอังกฤษฝรั่งตื่นเต้นมากนะว่ากษัตริย์ไทยนี่เขียนภาษาอังกฤษได้ก็ไม่ได้เขียนถูกหมดนะเขียนผิดก็มีนะเช่นคําว่ากําลังไปเนี่ยภาษาอังกฤษต้องว่า p o ิ e r ใช่ไหมท่านเขียนว่าพาว e r ว่าถูก power แปลว่ากำลังไงแต่ว่าก็คงเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าฝรั่งก็ทึ่งอันนี้เนี่ยอันนี้ก็อ ชเห็นว่าว่าความเป็นชาวพุทธเนี่ยนะมันคือความมีเมตตากรุณานะความใจกว้างแม้กระทั่งคนที่เขาติชินนินทาเราหรือแม้กระทั่งใส่ร้ายก็ไม่โกรธนะสมัยที่พระเจ้าเนี่ยอยู่เมืองสาวัตถีเนี่ยก็เคยมีชาวสาวัตถีลือลือกันทั้งเมืองว่าพระองค์เนี่ยไปนอยกับผู้หญิงแล้วก็ฆ่าเขาทิ้งซะปิดปากลือกันเป็นเรื่องเป็นราวนะ พาะ น, นก็บอกว่าหนีเถอะนะอย่าอยู่เลยนะเมืองสาวสถนะีอุตสาหแสดงธรรมสอนเป็นปีๆหลายปีแล้วนี่แทนที่จะมีความหนักแน่นมั่นคงเชื่อข่าวลือง่ายพระองค์ก็ไม่หนีนะแล้วก็ไม่โกรธด้วยนะพระองค์บอกว่าเนี่ยเสียงดินทาเนี่ยมันหนีไปที่ไหนนะมันก็ต้องเจออยู่วันยังค่ำก็อยู่ไปเถอะนะแล้วเดี๋ยวความจริงก็ปรากฏสุดท้ายความจริงก็ปรากฏว่า ผู้หญิงถูกฆ่าเนี่ยนะถูกพวกอะไรพวกเดลถีเนี่ยฆ่าเพื่อใส่ร้ายพระพุทธเจ้าวางแผนให้นางเนี่ยไปใกล้ชิดทำทีเหมือนว่าใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเข้าเชตวันตอนค่ำตอนเย็นตอนเช้าก็ออกมานะสร้างจัดฉากเอาไว้งั้นแส่ว่าฆ่าพรองคก็ไม่โกรธนะไม่โกรธไม่ไม่ไม่รังเกียจเลยนะแล้วก็มั่นใจว่านะความดี นะย่อมแสดงตัวในที่สุดนะอันนี้พวกเราชาวพุทธเนี่ยก็ต้องพยายามจะเลยอยตามท่านนะต้องรู้จักนะมีความมั่นคงไม่หวันไหวในเสียงวิพากวิจารณไม่ว่าวิจารณตัวเราหรือวิจารณสิ่งที่เรานับถือที่จริงเมื่อเรานับถือพระผูธประสานประสงค์เนี่ยนับถือเป็นของสูงเนี่ยก็ต้องนับถือให้เป็นนะก็คือว่าอาศัยท่านเนี่ยอาศัยพระธรรมทานเนี่ยดึงเราให้สูงขึ้นนับถือถ้านับถือไม่ไม่ไม่ถูกนะเป็นการฉุดให้ท่านต่ำลง นะนับถือนี่มีสองแบบนะคือดึงให้เราสูงขึ้นหรือว่าฉุดให้พระรัตนตัยต่ําลงาคนไทยจำนวนไม่น้อยในตอนเนี้ยนนฉุดพระรัตนใจให้ต่ําลงก็คือว่าตัวเองเนี่เป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวใครมาแตะต้องใครมาวิจารณ์ไม่ได้ก็เลยอยากจะให้พุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นนะพุทธศาสนาก็เลยเป็นศาสนาที่ใครแต่ต้องไม่ได้วิจารณ์ไม่ไดนะ้พอวิจารณ์แล้วก็ จ ร, จริงเขาไม่ไวิจารพุทธศาสนาเขาก็เพียงแค่พูดถึงบางแง่บางมุมของคนในพุทธศาสนาเช่นพระหรือเนนอย่างในหนังเรื่องอาบัติในที่เป็นข่าวเนี่ยก็เดือดเนื้อร้อนใจกั น, นกลายไปว่ า, าศาสนาพุทธแตกต้องไม่ได้อันนี้เรียกว่าทำให้พุทธศาสนาเนี่ยฉุดให้ต่ําลงเหมือนเราเราผิวบางไม่ใหญ่ใครแตกต้องเราเราก็เลยทําพุทธศาสนาให้เป็นอย่างนั้นที่จริงเราต้องนับถืออย่างถูกต้องคือว่าอาศัย พระัตนพระรัตนตรัยดึงเราให้สูงขึ้นให้เราเป็นคนที่มั่นคงไม่วันไหวปร่อยวางไม่ยึดถือตัวตนเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยพอมีกิเลสนะก็เอาพระรัตนตรัยมาเป็นเครื่องสนองกิเลสอันนี้เรียกว่าชุดให้ต่ำลงนะพระพระพุทธรูปเนี่ยหลายๆที่เนี่ยถูกแปลสภาพเป็นคล้ายๆไม่ต่างจากเทวดาหรือว่าเป็นอ่าเป็นพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่ อย่างเช่นพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยไม่ชอบข้าวเหนียวพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยชอบอชอบผักชอบเจหรือว่าพระพุทธรูปองค์นี้ชอบอดอกเบญจมาศเนี่ยนี่อันนี้มันไม่มีนัในพุทธศาสนาเนี่ยแต่พวกเจ้าพ่อเจ้าแม่นะที่เราเส้นเส้นกันจะเป็นแบบนั้นเจ้าพ่อองค์นี้ชอบเล่าเจ้าแม่องค์นี้ชอบออชอบข้าวเหนียวเนี่ยคนไทยเรานับถือเจ้าพ่อเจ้าแม่แบบนี้เราก็เลยพอนับถือพุทธศาสนาก็เอาพระพุทธรูปมาเป็น เขาใชเจ้าพ่อเจ้าแม่แทนในภาคใต้นี่มีพระธูรุลงนชื่อว่าพระแม่อยู่หัวนะพระแม่อยู่หัวก็คือเขากราบว่าเจ้าแม่นะก็พอมีพระธูรุูกก็เลยเอาพระธูรุปเป็นเจ้าแม่ซะเลยนะชื่อว่าพระแม่อยู่หัวกราบเพื่ออะไรเพื่อให้ขอให้มีโชคมีลาบมีความเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยอันนี้เรียกว่าฉุดพุทธศาสนาให้ต่ําลงนะเรานับถือผีเราก็เลยนับถือพุทธศาสนาหรือนับถือพระเจ้าเหมือนนะที่จริงต้อง อาศัยพระตาตจเนี่ยชุดให้เราดึงเราให้สูงขึ้นนะก็คือกิเลสเบาบางนะความทุกข์ใจได้เบาบางไปด้วยนะอ่าแล้วก็เตรมยม